นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมทุกสัปดาห์จะมาพระไพบูลก็จะมากับคุณหมอรัตพงศ์ครับกราบนมัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์นัฐพงศ์กนกวิรุลจากกรุงเทพครับแล้วก็บางทีหมอรัตพงศ์อาจะมารู้สึกว่าตัวเองบางทีพูดเร็วเกินไปครับพูดเร็วจกนกระทั่งไอ้ที่เราคิดคิดว่าจะพูดเนี่ยน ะ, ะที่คิดไว้เนี่ยมันเร็วกว่าที่เราพูดอีกทําให้บางทีเนี่ยพูดไม่ทันความคิดแล้วก็ ทำให้ประเด็นหลายอย่างมันอาจจะมีการเพิ่มเติมมาภายหลังครับอย่างวันนี้ก็จะมีคิดว่าเรื่องที่เราพูดจากคราวที่แล้วออแล้วนี่มันตอนเอพิ od ที่เท่าไหร่ล่ะเ อ, เอพิ od ที่ 41, 41ครับ41แล้วเอพิ od ที่41เก็เมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความละเอียดในธรรมวินัยนี้ครับผมคือเป็นสิ่งที่ซับเตอรซับไลน์มากเราก็ได้พูดถึงประเด็นหลายอย่างเนอะอย่างเรื่องของกรรมเ ร, รเรื่องของวินัยเรื่องของศีล มีหลายประเด็นครับทีนี้อตาตมาต้องบอกกับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณหมอรัตพงษ์ด้วยว่าคือเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเราจะไปรู้หมดทุกอย่างนะั่นคือหมายความว่าอตาตมาไม่ได้จะต้อง pretend ว่าตัวเองรู้หมดทุกเรื่องนะอะไรที่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้แล้วเราก็อาศัยพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นทะี่พึ่งเป็นที่ท่านฐานในความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้อนะอะไรที่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง เนาะอย่างภาษาบาีเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ว่าก็จะต้องศึกษาเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพระครับทีนี้ว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ได้ฟังในช่วงที่ผ่านมาอย่างตอนนี้มืประเทศไทยมีปัญหาน้ําท่วมใช่ครับใช่ไหมก็มีท่านผู้ฟังในภาคออนไลน์ เ, นเขียนจดหมายมาถามซึ่งจะเอาไว้ตอบตอนท้ายมาจากใครนะคุณหมอรัตพงศ์จากผู้ศึกษาปฏิบัติจะตอบให้ตอนท้ายของรายการนี้นิดหนึ่ง ครับผมทีนี้มากลับมาประเด็นที่พูดถึงความละเอียดในธรรมะวินัยนี้นิดหนึ่งมีคนบอกอาจมาว่าน้ําท่วมเราก็เป็นเช่นนั้นเองอ๋อเป็นเป็นธรรมดาเออเป็นตาตาตาใช่คานี้ตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองเราต้องทําใจหรือว่ามีลูกศิษย์หลวงพ่อชาคนหนึ่งที่เคยไปอยู่กุฏิในวัดอหนองประพง์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าต้นไม้มันล้มมา ลมพายุมันเข้าออตอนนั้นต้นไม้ล้มใสหลังคากุฏิเปิดทะลุอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เออเป็นเชนั้นเองไม่สนใจปล่อยให้มันรั่วอยู่ได้หลายวันนะ<อ>จนกระทั่งไม่ซ่อมไม่อะไรซึ่งตอนนี้ท่านก็บอกว่าเป็นตัตาตาซึ่ง<อ>จริงๆคําว่าตัตาตาเนี่ยหมายถึงว่าออความเป็นเหตุเป็นผลพระเจ้าใช้คําว่าตาัดตาตาตรงเนี้ยนะใช้กับ อ, อิทัปปัจจยตาต า, ตานะคือว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี S <S ใช่ครับอ่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรนี่เป็นคนละประเด็นอย่างสมมุติแฟนทิ้งเก็มันก็เป็นเช่นนั้นเองภัยพิบัติเกิดขึ้นร้าแรงมันก็เป็นเช่นนั้นเองบ้านพังก็เป็นเช่นนั้นเองคนด่าเราอ่าก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่นะคือหมายความว่าเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยแล้วคนก็จะไม่แก้ปัญหาอะไรอ๋อปล่อยเลยตำเลยอ่มันไม่ไมใช่ไม่ถูกไม่ถูกที่เราจะมาบอกว่าเป็นเช่นนั้นเองแล้วเราฉันก็ไม่ทําอะไรทิ้งไม่ใช่ นะคืออย่างบ้านพังแล้วจะเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ได้เราต้องซ้อมต้องซ้อมรอหรืออย่างภัยพิบัติเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ได้คุณต้องแก้ไขมันต้องช่วยเหลือกันต้อง <c oughs> อดทนนะรหรือว่าคนด่าเราแล้วเราจะไม่ด่าตอบเป็นเช่นนั้นเองก็ช่างเขาเราก็จะต้องชี้แจงบ้างถ้าเราจะต้องชี้แจงใช่ไหมหรือว่าจะต้องบอกสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือสิ่งที่เราไม่มีไม่เป็นก็ตามเหตุตามปัจจัยทีนี้อย่างคำว่าตาตาตาอย่างเงี้ย พระพุทธเจาพูดถึงเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีครับความเป็นเหตุเป็นผลเราต้องเห็นตรงนี้อย่างเช่นเขาด่าเราเอา้าวมีเหตุผลอะไรในการด่าเราก็ต้องดูในกรณีนี้อย่างเช่นถ้าเราจะพิจารณาเรื่องของธาตุใช่ไับเสียงที่มันเข้าหูเราเนี่ยเป็นแค่ธาตุลมนะผ่านมาแล้วมันจะกลายเป็นธาตุไฟธาตุดินแหล่งมันไปเรื่อยถ้าเราเห็นอย่างนี้เป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็ เห็นความเป็นเช่นนั้นเองในสิ่งนี้อันนี้ถึงจะถูกครับหรือว่าลมพายุพัดหลังคาเปิดใช่ไหมเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองตรงที่อะไรมันไม่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแล้วพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเราจะปล่อยวางได้แล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์หมายงั้นต้องทําหน้าที่ที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับ ใช่หมายถึงว่าต้องแก้ไขต้องฟื้นฟูอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็จริงๆคือเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของในสิ่งสิ่งนั้นนะอืสาวหาเหตุเพื่อที่จะแก้แก้ไขให้ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมแก้ไขก็คือแก้ไขตามตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องปล่อยวางให้ได้จิตของเราจะต้องปล่อยวางให้ได้ไม่ใช่ว่ากายจิตก็ปล่อยวางไม่ทําอะไรกายก็ไม่ทําอะไรไม่ใช่อันนี้จะผิดความหมายของคําว่าตาตา หรืออย่างที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะว่าคนเขาพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจะพิจารณาไงว่าเราจะขนาบหรือเราจะปล่อยอ <cias> ใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องที่เราถูกถูกว่าถูกด่าหรือมีคนพูดสิ่งที่เป็นอกุศล ข, ขึ้นมา <ways> ก็ต้องพิจรารณาอย่างที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <IDs> ใช่ครับอืม <pip> หรืออีกตัวอย่างหนึ่งอย่างการที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของการกราบพระใช่คชไหมถ้าเราเป็นกราบเพราะว่า อกราบประสงค์อย่างเนี้ยกราบเพราะว่าท่านเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเสียงหล่อเสียงดีรูปงา ม, มหรือว่าเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เห็นอะไรต่างๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะกราบผ้าเหลืองอย่างนี้นะแต่ว่าผ้าเหลืองเสาหิ้งช้ายเยอะแยะคุณไปซื้อมันเลยกราบมันสักพันครั้งอืเนี่ยคือไม่ถูกหรือว่าคนที่เสียงดีกว่าอาตมาก็มีสุเทพวงคําแหงนักร้องนักแสดงไปกราบเขาสิถ้าจะบูชาคุณธรมนี้ ครับใช่ไหมแต่อะไรในพระสงฆ์ที่ว่าคุณควรจะกราบคือข้อปฏิบัติอย่างพระสงฆ์บวชมาใหม่ๆบวชมาใหม่ๆคุณบอกโอ้กราบพระเหลืองกราบบ้านเหลืองถามว่าพระภิกษุสงฆ์บวชใหม่เลยออกมาคลอดออกมาจากอุโบสถมีคุณธรรมที่ควรจะกราบได้ไหมถ้าเราพูดถึงคุณธรรมอย่างเช่นว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติดีใช่ไหมครับอาจอาจจะยังยังไม่สําเร็จทีนี้เราก็ต้องพิจารณาดูวความเป็นพระมันคืออะไรไม่ใช่รพระเหลืองนะ คือธรรมวินยัยข้อปฏิบัติใ ช, ใช่ไหมครับคือการที่ตัานตั้งใจจะรักษาสิกขาบทครับถ้าอย่างนั้นอย่างสมมุติเด็กเล็กแดงออกมาจากคลันมารดาพลุ้วเลยเนี่ยนะคลอดออกมาหมอตีตูดเพียเพ้ยๆแล้วก็อุแว่อุแวออกมาเนี่ยนี่ก็มีศีน่ะสิอืมเด็กคนนั้นมีสีไหมหมอละทงว่าคิดว่ายัางยังยังไม่อครับนี่เนคือความปกติของของข้อปฏิบัติของเขาเด็กยังไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งว่า อะไรเป็นอะไรจะไปรู้ได้ไงว่าศีลคืออะไรในที่พระเจ้าเคยพูดถึงว่าเด็กแบเบาะที่นอนอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลมีปัญญาสิเพราะว่ามีการบัญญัตเิเรียกว่าพิ ร, รุริปชกเขาการบัญญัติการที่ไม่ทําอะไรเนี่ยนะว่ามีอะไรนะ<อ>แล้นพระเจ้าจึงเอาข้ออ้างข้อแก้โดยการเด็กนอนแบเบาะ อ, อยู่บนเตียงเนี่ยมาพูดถึงซึ่งตรงนี้จึงต้องบอกว่าพระเจ้าจึงบอกว่าเรื่องปัญญาเรื่องศีล อย่างเด็กที่นอนแแบกออกมาเนี่ยก็จะไปตรงกับคุณธรรมของปริพกาชคตรงนั้นซึ่งมันยังไม่ถูกนะแต่สิ่งที่ถูกคือเรื่องของศีลเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นเด็กที่คลอดพลุวออกมาจากครรมารดาเนี่ยไม่มีศีลเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าศีลปกติมันคืออะไรหรืออย่างเราเคยเรายังเคยพูดถึงโจรโจรไปอยู่ในห้องขังเขามีความตั้งใจว่าเขาจะขโมยอยู่ตลอดเวลา มีความตั้งใจว่าจะฆ่าขอให้มีโอกาสฉันจะฆ่าขอให้มีโอกาสฉันจะโกโหกขอให้มีโอกาสฉันจะขโมยเขา<ม>ไม่มีศีลนะแต่ถ้าถึงแม้ว่าของจะไม่หายไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีการพูดเกิดขึ้นของก็ถือว่าไม่มีศีลนะครับนี่เป็นเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นถามว่าพระรที่บวชใหม่ออกมาล่าสุดจากโบสถ์เนี่ยแบบประเภทายแดงเป็นพระเลยว่าเออพระใบแดงเนี่ยเป็นพระหม <c oughs> ครับอย่างน้อยเนี่ยตอนอุปชาตอนบวชเนี่ยท่านจะต้องบอกสิขาบทของความเป็นพระนะคืออะไรว่า น, นิสัยสี่ครั บ, บาปาราชิกสี่เนีเป็นสิ่งที่ต้องบอกไม่ก่อนไม่หลังการอุโบสถการอุปสมบทบอ่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยความเป็นพระก็คือไม่ผิดสี่ข้อนี้ครับไม่ผิดปาราชิกสีข้อนี้เพราะฉะนั้นจุดนั้นเนี่ยท่านตั้งใจว่าตั้งใจนะ คนที่บวชใหม่พระปลายแดงเนี่ยตั้งใจว่าฉันจะไม่มีเพศสัมพันธ์จะไม่กล่าวคุณวิเศษที่ไม่มีในตนจ ะ, ะจะไม่ขโมยของจะไม่ฆ่ามนุษย์ตั้งใจความตั้งใจตรงนี้นะหมอพรงนั่นแหละควรกราบไหวอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ากราบไหวที่ถูกเนี่ยคือกราบความตั้งใจตรงนี้กัดกราบความรู้กัดกราบสิ่งที่ดีตรงนี้ครับแล้วอย่างทําไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าคุณควรประคองอัญเชลีกับผู้ที่มีศีลสมาธิมากปัญญามากกว่า อนั่นก็เราะว่าคุณธรรมตรงนี้อืออย่างเราอย่างคารวาสอย่างเงี้ยจะตั้งใจว่าไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าเรายังครองเรือนอยู่มันก็ยากยากสําหรับผู้ที่มีครอบครัวก็ก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นความตั้งใจตรงนี้ของพระป้ายแดงโอ้โหควรยกย่องหรือแม้เป็นแต่สูงส่งอย่างศีลแปดอย่างเงี้ยคนที่ทําศีลแปดได้อย่างต่อเนื่องกับคนที่ทําศีลแปดได้เฉพาะในช่วงพรรษา โอ้คนละเรื่องกันมันยังห่างกันอยู่หรือคนที่ทำศีลแปดได้เฉพาะวันพระกับคนที่ทำศีลแปดได้เฉพาะได้ตลอดโอ้ยคนละเรื่องกั น, นหา่างกันมากนี่เป็นเรื่องละเอียดอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรนอบน้อมเคารพ บ, บูชาคือความรู้ตรงนีค้ความตั้งใจตรงนี้ที่ท่านจะสมาทานสิกขาบทเพราะความตั้งใจตรงนี้แล้วเมื่อเราเรารักษา มีความตั้งใจที่จะศึกษาศีลที่มันลึกลึ ก, ลกซึ้ง ซ, งซึงขึ้นไปขึ้นไปใช่ไหมอันเนี้ยยิ่งยิ่งควรกราบไหว้บูชามากขึ้นมากขึ้นนะลำดั บ, รบเรือของศีลสมาธิปัญญาครับอนะอย่างที่เรากล่าวในกรณีของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือพื้ น, พ, นพื้นเหมือนกับว่าต้องมีศีลก่อนแล้วถึงจเจริญสมาธิแล้วก็ปัญญาจะรู้แจ้งอย่างนี้เนี่ยมันใช่อย่างนี้ไหมครับท่านว่าจะต้องเป็นลําดับหนึ่งสองสามอย่างนี้ไหมครับเออ ขึ้มาด้วยกันมาด้วยกั น, กนครับพระนผู้เช่าก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์แครับซึ่งศีลสมาธิปัญญาคืออริยมรรคมีองค์แปดถ้ามีอันหนึ่งอย่างสมมติมีศีลมันก็เรียกว่าจิตเราต้องไปเพราะฉะนั้นจิต ค, คุณจะเห็นอย่างนี้ได้นั่นคือสมาธิตินั่นคือปรรัญญาไ อ, อ้ความเห็นที่ว่าฉันจะต้องมาตั้งใจว่าจะรักษานะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไอ้ความตั้งใจตรงนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นปรรนะัญญาล่ะ แล้วเราไม่ได้มีมือเปื้อนเลือดออันนี้คุณมีศีล น, นะถูกเรื่องของศีลแล้วจิตของคุณเนี่ยจะต้องไม่ไหลไปตามสิ่งชั่วร้ายที่มาดึงอันนี้คุณก็เชื่อว่ามีสมาธิมีกำลังจิตเพราะมันจะมาด้วยกันเนาะก็อย่างที่เราเคยพูดในเรื่ององค์ประกอบของมครคว่าอันใดอันหนึ่งมาอีกอันหนึ่งก็มาด้วยใช่จเจริญนะขึ้นพร้อมกันใช่นะใช่แล้วประเด็นหนึ่งตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ป้ายแดงนี่ก็อีกเหมือนกันว่าถ้างั้นพระป้ายดําพระเก่าครับนะพระเก่าที่แบบไม่ค่อยออรู้เรื่องธรรมะมากคืออาจจะไม่ฉะฉาชานในการกล่าวธรรมนะไปไหนก็นิ่งไปไหนก็ไม่พูดถามว่าอย่างนั้นควรกราบไหว้ไหมเมื่อเปรียบเทียบกับพระที่สามารถแสดงธรรมได้ฉะฉานแตกฉานจ้ำชองอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติใช่ครับ ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะนะนั้นคือถ้าท่านสามารถรักษาศีขาบทได้แม้ข้อเดียวไม่ต้องกล่าวศีขาบทอะไรได้มากมายก็ได้แต่ทำได้คือทั้งสองรูปก็ทำได้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าทำได้แม้ข้อเดียวคือบางคนอาจจะไม่ฉลาดในเรื่องของอักษราศาสตร์ไม่มีความฉลาดในเรื่องของการพูดตแต่ว่ามีความตั้งใจในการปฏิบัติขอแค่รู้ข้อเดียวครั บ, รบทให้ได้นี่ก็ดีมากๆแล้ว ดีมากเพราะว่าหาคนที่จะมาตั้งใจว่ารักษาสิขาบทเหล่านี้เนี่ยมันยากใช่ครับมันเหมือนต้องสวนฝืนฝืนกระแสกิเลสฝืนกระแสโลกอย่างนี้ใช่ไหมครับต่นกระแสกันมากๆเลยเพราะนั้นเราเคารพบูชาในความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรเคารพบูชาควรบูชาตรงนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องการกระทำทางกาย ไม่ต้องพูดถึงอะไรมาไม่ทรา บ, รบเราไม่รู้หมดหรอกคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณแล้วก็แล้วกันพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนี้เพียงแต่ว่าที่ทำที่ถูกคือทำอย่างนี้ที่เราพูดถึงคือเรื่องของใจครับแล้วก็ไ อ, อ้อย่างอย่างกรณีกรณีของการทำใจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกคนจะเหมือนกับว่าต้องเป็นปัจจตังคือต้องตรวจสอบตนเองใช่ไหมครับท่าน คือเราจะไปบอกว่า เ, เพื่อนคนนี้มันอย่างงี้มันพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญใช่ไหมครับคือจะสรรเสริญว่าให้เราเนี่ยตรวจสอบตนเองรู้ตนเองอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมใช่คือการตรวจสอบคือถ้าเราจะกล่าวถึงบุคคลอื่นเนี่ยนะเราก็ต้องกล่าวเป็นทํากล่าวเป็นวินยัยคุณอยู่ในฐานะที่จะอบรมสั่งสอนเขาไหมทนะําไมก็นิ่งเสียหรือถ้าใช่ก็ต้องกล่าวเป็นทํากล่าวเป็นวินยัยชี้แจงขนาบตามเหตุผล <K l ap> นะเราก็ถ้าจะพูดถึงคนอื่นมันก็ต้องเอาความดีของคนอื่นเขามาพูดอครับ <K l ap> ถ้าพูดเรื่องเสียงคนอื่นคุณยิ่งเป็นคนไม่ดีครับ <l ap. S 2> อคนไม่ดีใช่ไหมชัก <K l ap> ชวนให้คนอื่นเขามาด่าคนนี้อีกคุณยิ่งเป็นคนไม่ดียิ่งกว่าคนไม่ดีออีก <K l ap> เป็นอาศัตบรุษยิ่งกว่าอาศัตบรุษครับคือตัวเองด่าคนอื่นแล้วนะก็ยังชักชวนคนอื่นมาด่าอีกคนนั้นอีก <K l ap> โหยิ่งชั่วมากๆครับเอเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีมากม <ừ> ๆก็คือว่าเอาคุณกล่าวเรื่องดีของคนอื่นแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากล่าวเรื่องดีของคนนั้นอีกอันนี้เป็นดียิ่งกว่าดีมากๆสมมติ ut, อาตมาแหมนิยมชมชอบความดีของสมณคดมอย่างเงี้ยนะอ<ม>าตมากล่าวเรื่องดีๆของสมณคดมแล้วก็ชักชวนมอทั้งชักชวนทันงบุฟังเนี่ยมากล่าวเรื่องดี ๆ, ๆ, ๆ, ๆของสมณครดมเราจะเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าเป็นสับรุษแต่นี้ไม่ได้หมายความว่ายกย่องตัวเองนะถ้ยกย่องตัวเองเราก็เป็นอาตสัตบุตร ยกเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างนี่เฉยครับเจ้าใครดีล่ะอืก็ประมาณนี้แหละนะประมาณครับอืครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเคารพการบูชาก็อยู่ในลักษณะของทําวินัยอันนี้ครับออีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นเรื nice> ่องของความไม่เที่ยงครับถ้าเราบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงถ้งนั้นไม่เที่ยงก็ไม่เอาหมดเลยสิ ไม่เอาหมดเลยเหรอเสื้อผ้าก็ไม่เอาข้าวปลาก็ไม่เอาไปอยู่ป่าอดข้าวคนเดียวทุกอย่างไม่เอาหมดทิ้งหมดนนี้ก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเขาเรียกว่าทุกอย่างไม่มีค่าอะไรในขณะที่พระรูชาบอกว่าเอางั้นคุณจะต้องไม่เอานะไม่เอาเนี่ยคืออะไรไม่เอาทางใจแล้วทางกายทํายังไงอะไรที่ยังมีประโยชน์ได้ก็เอาอยู่ก่อนจีวรนยังพอนุ่งห่มกันความร้อนหนาวได้เอาไว้ก่อนแต่เราก็ไม่ถึงถึงเอาขนาด รองเท้าแบรีร่เสื้อเวอร์ซาเช่ที่มันสุดโตง่งไปนั่ น, ก, นกระดับหนึ่งน ะ, ะข้าปลาอาหารเราก็ไม่ได้ว่าต้องกินแบบโอ้โหเลดสมาราอา้าวแต่เมั่ไงมีบาทใบหนึ่งไปบินตาบาทสบายล ะ, ะเพราะฉะนั้นการชีวิตความเป็นอยู่ของพระเนี่ยเรียกว่าตามมีตามได้พูดพูดอย่างนี้ financially free หมาะนะทุอคมครับไม่ไม่ขึ้นกับทางการเงินถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฉันต้องทำงานนะเก็บเงินได้เท่านี้ฉันถึงจะเรียกว่าเป็นอิสระทางการเงินละ financial free ใช่ไหมอิสระทางการเงินนะขอได้เงินเดือนละหมื่นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็เรียกว่าฟรีละสบายละจะไปทำอะไรก็ได้รัวถุยพระนี่ไงชีวิตพระเนี่ย f i n a n ของจริงนะครับ อยู่ก็มีผ้าอย่างนี้กินก็ไปบินธบารแด้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินไงและจะ financially free จริงๆคือไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินไม่ใช่ว่ายังต้องยังต้องเกี่ยวกับเงินอยู่เนี่ยคุณไม่ free จริงไ i n a n c i a l l y free เพราฉะ้เรื่องของความไม่เที่ยงก็ก็ลักษณะนี้อีกนะต้องเป็นทางสายกลางไม่ใช่สุดโต่งไปลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งถ้าเราเข้าใจพุทธวจนะจริงๆอ่ะหมอนรัตุพงศเราจะสบายอล้ามามองเห็นที่ไหนนะมันก็มีแต่ความสอดคล้องกันอ๋อ<ม>ท่านองค์นี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นมุมนี้โอ้สาธุสาธุอาะท่านปฏิบัติ ด, ดีเถอะ แ, <ก>แต่ท่านองค์นี้ท่านปฏิบัติอีกแบบหนึง่งอ๋ออย่างนี้เพราะท่านเห็นมุมนี้โอ้โหคำสอนพระเจ้านี้กว้างขวางจริงๆอาสาธุสาธุเราจะไม่เห็นความขัดแย้งที่ไหนเลยอ๋อ มันจะมีแต่ความลงกันได้เข้ากันได้นะใครทำยังไงเรื่องของเขาเราทำที่มันเป็นพุทธวจะนะก็แล้วกันคใครทำยังไงไม่เป็นไรเราไม่ด่าใครไม่ว่าใค ร, ครนะวาจาใดเขากราวกันอยู่ในโลกเราก็จะกราววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่อย่างนี้นนะครับแล้วก็เรื่อง<จ>ะละเอียดก็จะเกิดความสามัคคีนะครับในลักษณะนี้ใช่รเราจะไม่ตั้งแง่รังเกียจใครนะแล้วก็ ใครจะทำอะไรยังไงก็มีช่องทางออกที่เขาจะต้องเป็นไปได้ครับคือท่านคงมีเหตุของท่านในลักษณะนั้นใช่ไหมครับเราจะมองมองมุมที่ที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนในลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้ง น, น ะ, ะเพราะฉะนั้นมันต้องมองลึกๆมองที่จิตที่เป็นสมาธิด้วยละ่ะใช้ปัญญาแล้วก็ ดูอืมใช่ดูตามความเป็นจริงนะครับเรื่องของสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนทํานแมวินยัยคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นประเด็นไหนที่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึง้งคือเรื่องนี้นะหมะทธพงถ้าคใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกอคือเพราะมันมันเรื่องลึกซึง้งละเอียดลึกซึง้งเพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกอฟังข้ามไปก็ได้ครับหรืออาจจะส่งเป็นคําถามว่าที่ไม่เข้าใจเนี่ย คือท่านอาจจะอยากได้ความแตกฉานมากขึ้นนะครับก็เลยส่งเป็นคําถามได้นะครับหรือว่าเรื่องอธรรมอธิบายไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะอธรมาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็รู้รู้มากมากมากทีเดียวนะครับเรียกว่าเท่าเท่าที่ได้จัดรายการกับท่านมาเนี่ยอก็เพราะว่าในเหมือนก็เหมือนตําราเหมือนเอาตํารามาไว้กับตัวนะครับอืมดีมากเลยคือ หลังจากที่เราศึกษามาเนี่ยนะหมอรปงเราอ่านมาอ่านรอบแรกอย่างเงี้ยรอบแรกรอบสองเราบอกโอ้โหเนื้อหามันเยอะมากเลยดีมากๆเลยเราไม่เคยรู้ข้อมูลอะไรดีๆอย่างนี้ต้องเอาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่ามันจะได้เสิร์ชหาได้อย่างรวดเร็วเสิร์ชตรงนี้เจอตรงนั้นเกี่ยวข้องตรงนี้ไล่ไปไล่ไปใช่ไหมพอเราทําไปทําไปเนี่ยเราพบว่า เ, เปิดหนังสือเนี่ยมันช้าเปิดหนังสือช้าเราก็จึงเอาเข้าคอมพิวเตอร์เอาเข้าคอมพิวเตอร์เรารู้สึกว่าหลังจาก อันไปย0่สรอบเนี่ยเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระชากเว้ยมันทํางานไม่ทันสมองเราครับเราดีที่สุดเนี่ยคือความจําของเราเองเราจนเป็นสูงเชื่อมตรงนี้ต่อตรงนั้นอยู่ในประสดุนี้มันจําได้มันดึงขึ้นมาได้เนี่ยมันปั๊บปั๊บปัไปเนี่ยยิ่งเร็วกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่อย่างช้าอคือไม่ใช่หมายถึงว่าการประมวลผลนะนะแต่พูดถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการดึงข้อมูลเนี่ยสมองไี่ทําได้ดีกว่า แล้วทำให้เห็นข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์หลายอย่างอย่างเช่นว่าการเ e ิร์ชของมันคีย์เวิร์ดอะไรต่างเนี่ยมันก็สมองเราทำได้ดีกว่าแน่นอนอเพราะฉะนั้นอย่างที่ครู บ, รบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ น, นู้นน่ะนะที่หลายๆร้อยปีก่อนถ้่ท่านจำเอาเนี่ยโอยสาธุมตีมากๆเลยดีมากๆเลยคืออ ย, อย่างการจดจำพุทธ ว, ทธวจนะในตอนเริ่มต้นที่สังคยานาเนี่ยเขาใช้มุขปาฐะคือใช้ กดสวดสวดจาต่อๆกันมาจำต่าต่อกันมาใช่ซึ่งมีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าท่านจําผิดล่ะแล้วแล้วอะไรจํากิดมาผิดหรือเปล่าอย่างใครอาจจะมีประสบการณ์อย่างเช่นว่าการจัดตารางเวลาของตัวเองครับหรือว่าจดโน้ตจดโน้ตก่อนสมัยก่อนเราก็จะเรียนโดยการใช้ใช้มือจดใช่ไหมใช่ครับแตนี้พอมือจดมากๆข้อมูลมากขึ้นทำไงเอาเราใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เข้าไปใครพิมพ์เร็วก็ดี นะทีนี้พอพิมพ์มไปเนี่ยเรารู้สึกว่าการพิมพ์เนี่ยมันก็ช้าแล้วมันก็ accessible มันก็ได้น้อยกว่าสู้จําเอาแต่เพราะฉะนั้นใช้สมองจําเอาคิดคนเอาเนี่ยมันเร็วกว่าการใช้คอมพิวเตอร์อย่างสมัยก่อนอาจามาเขียนไม่แมพอย่างเงี้ยเรียนไม่แมพใหม่ๆเนี่ยโหยเราคิดว่าเราเขียนใช้มือนี่ยากมากเลยต้องใช้ซอฟต์แวร์รใช้ซอฟต์แวร์ไปซอฟต์แวร์นี้ไม่ดีเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ อ, อันหนึ่งเออดีงานแบบนี้ใช้ซอฟต์แวร์นี่อีกงานหนึ่งใช้ซอฟต์แวร์นึง เ ข, เขียนไปเขียนไปพบว่าโอ้ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์มีมากใช้มือเขียนดีกว่ากลับมามือเขียนอีกพอกลับมามือเขียนเนี่ยพบว่าดีกว่าใช้ซอฟต์แวร์เพราะมันได้หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าเฟล็กซิเบิลกว่าใช่ไหมทีนี้พอใช้มือเขียนเนี่ยมันไม่ทันหัวเราละเราทุกอย่างจําเข้าสมองเอาแล้วเปลี่ยนสีได้ทําอะไรได้มีลูกเล่นมากกว่าเป็นวีดีโอได้ในสมองอย่างเงี้ยนะครั บ, รบมันไม่เหมือนบนกระดาษครั บ, รบซึ่งถ้าใครมี เขาเรียกว่าสามารถจดจําพุทธวจนะได้แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นผู้ที่ทรงจําได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอวนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้นานท่านสรรเสริญเลยนะครับครั บ, รบนี้ขอกล่าวถึงครูบาอาจารย์ว่า อ, อย่างพระอาจารย์คริสต์เนี่ยกลุ่มที่ทำหนังสือเนี่ยจะเรียกเรียกท่านเหมือนเป็นชื่อเล่นว่าเมนเมนเฟรมเมนเฟรมพุทธวจนะ นี่มท่านท่านพูดเองว่าอาจารย์คุมคลิทใช่ไหมครับบ อ, อ, อกท่านเชื่อมโยงได้รวดเร็วมากก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่บตัวอย่างท่านอวุโสทั้งหลายที่ศึกษาพุทธวจนะอยู่กับท่านพระอาจารย์คุบนะนะครับอันนี้ต้องของกล่าวยกย่องท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีท่านอาวุโสมากมาบ้างอาวุโสเชัยนรงบ้างแล้วก็ท่านอื่นๆที่เป็นอันนี้ส่งของการอยู่ใกล้กับภิกษุผู้ผูหูสูตรกันจะทําให้แคล้วคล่องในเรื่องของ ทำวินัยมาธิการแม่บทเหล่านี้ซึ่งเราเห็นได้เลยช่วงที่ท่านอาจารย์คึกฤิ์ไม่ได้ขึ้นแสดงธรรมเนี่ยท่านเหล่านี้สามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้อย่างดีมากแล้วก็ท่านทั้งหลายก็สามารถชี้แจงแสดงธรรมให้เป็นที่เข้าใจได้แล้วก็แสดงธรรมประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ได้อ น, นี้ถึงว่าเป็นอ น, นิสงส์โดยชัดเจนของการอยู่ใกล้กับพระหูสูตร ทำให้แคล้วค่คองในเรื่องนี้มากขึ้นแสดงว่าอันหนึง่งอันนี้ส่งที่ที่ผมก็ได้สังเกตเห็นก็คือว่าไม่ว่าใครที่จะมาศึกษาสามารถมีเขาเรียกมีแพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มที่ทางเดินที่ถูกต้องคือเหมือนว่าเนี่ยท่านท่า น, านต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยก็เดินเดินตามทางของสมณะโคดมซึ่งเออก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ย อย่างครูบอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดังขึ้นมาแล้วพอสมมติท่านไม่อยู่เนี่ยลูกศิษย์ก็เรียกว่าห่างชั้นกันเลยใช่ไหมครับต่อไม่ติดนะแต่ว่าพอศึกษาพุธทธวจนะเนี่ยเอย๊เหมือนกับมีมีทางเดินที่เป็นเป็นแพทเทิร์นว่าเออสามารถสวมแทนหรือว่าทดแทนกันได้อย่างอ อ, อ, อันนี้เป็ น, นมีคนก็ถามมาถมานะพอละทวงเขาถามว่าแล้วถ้าท่านอาจารย์ภัยบูรณ์ไม่อยู่แล้วแล้วใครจะมาทําหน้าที่พวกนี้ต่อล่ะครับเอเช่นว่าจัด หลักสูตการอีกเลนหรือว่ารายการต่างๆเราเขาบอกเขาก็พิกิตสูตทั้งหลายไงแล้วก่อนหน้าเรามันมีใครอะก็มีพระพุทธเจ้าแล้วก็พิกิตสูทั้งหลายมาไล่มาไล่มาใช่ไหมที่ี้พอไม่มีเราแล้วถ้าไม่มีเราเราจะใครต่อเอามันก็เดี๋ยวมันก็มีคนมาต่อเองถ้าเขาใช้หลักการของพฏิธศาสนาได้คนี่เหรอไหมใช้มีมีพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งอย่างชัดเจนนะะครัแล้วก็ศึกษาคําสอนที่ถูกต้องอันนี้เหมือนที่ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าให้ธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาชแทนเราเสียไปเนี่ยโอ้โหแบบว่าอมมันไม่มีเราแต่มันก็มีคนอื่นไะใช่ครับอก่อนหน้าเรามันไม่เห็นมีใครก็มีก็มีครูบาอาจารย์อยู่ดีครับใช่ไหมทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องมาที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตนพึ่งธรรมอ่าครับอย่างนี้ครับใช่ครับก็ชัดเจนท่านครับมีคําถามที่ที่ที่จะ ต่อท้ายนิดนึงเรื่องของท่านผู้ศึกษาปฏิบัติที่พูดถึงเรื่องของอุบัติภัยเรื่องของน้ําท่ว ม, มที่อตอนนี้คนทั้งประเทศหรือว่าหลายๆประเทศในโลกก็เจอเหมือนเหมือนกันนะครับ ม, มีปัญหาน้ําท่วมแล้วก็สติของท่านที่ฝึกมาแล้วเนี่ยสติตรง น, นี้หลุดบ่อยๆคือจะต้องฟังข่าวน้ําท่วมแบบมาถึงนี่และ ย, ยังถึงนู่นและ ย, ยังและต้องอทําให้ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามปกติได้ นอนก็นอนไม่หลับต้องเอ๊เดี๋ยวน้ํามันจะมาหรือเปล่านี่ไงแทนที่จะ <c oughs> คือระวังน้ําน้ําท่วมเนี่ยนะมันน่ายังน่ากลัวน้อยกว่าท่วมข่าวทนะ่วมข่าวท่วมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะถูกท่วมทับแล้วก็ทําให้มีความกังวลใจมีความเครียดมีความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าถูกอิจตนะท่วมทับเอาอันนี้ต้องระวังต้องระวัง เอาดูอย่างง่ายๆอย่างตอนที่ญี่ปุ่นก็เจอสึนามิน้ําท่วมด้วยใช่ไหมแผ่นดินไหวอีกนะกระมันตะรังสีด้วยแล้วก็อากาศหนาวด้วยรุนแรงกว่าประเทศไทยมากหลายเท่าเราดูทีวีใช่ไหมโอ้โหสงสารเขาจังเลยแล้วก็แหมน้าช่วยเหลือน้าช่วยช่วยช่วทีนี้พอตัวเองโดนเองตัวเองโดนเองไม่หนักเท่าเขาด้วยนะเราแค่น้ําท่วมธรรมดาไม่หนักเท่าเขาด้วยนะเรารู้สึกหน้าด้วยครับเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง S <S เดือดเนอรอนใจเป็นอย่างยิ่งนะหมอละโธ่ความเดือดดันหรือว่าดีกรีของความเร่งด่วนเนี่ยโอ้โหมันเร่งด่วนกว่าการดูทีวีเห็นเขาเดือดร้อน <S <S เพราะว่าเราถูกภาษานี้ด้วยตนเองจริงๆแม้เวลามันพูดนันพูดง่ายนะปล่อยวางปล่อยวางหมอละพงครับ้วปล่อยวางซี่เห็นเป็นเรื่องธรรมดามัเช่นนั้นเองแหละนั่งปล่วางได้คุณไม่มาอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้น้ําน้ํามันก็กัดเท้าฉันอยู่ สามีลูกไม่รู้ไปไหนของก็ถูกท่วมหมดท้องก็หิวคนช่วยก็ไม่มาหรือก็ไม่มีแล้วบ้านทั้งสร้างมาทั้งชีวิตก็จมหายไปว่ามันจะทํำยังไงล่ะรถูกท่วมทับไปด้วยทาขูดจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่เหมือนกับนกมันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงๆนะจนกระทั่งถึงจุดที่มันมีลมเวลำพานกตัวนั้นจะถูกลมก็เรียกลมหัวนี่ที่มีลมบนถูกฉีกกระชากเนื้อขาดออกหมด แม้เลือดเนี่ยก็ถูกพัดไปหมดไม่มีตกหยุดมาสักหยดเดียวรเราถูกพัดสะบังหน้าแล้วจึงอยู่ด้วยความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ถูกดึงไปโดยพัดสะเหล่านี้อย่าไปตามกระแสรรกระแสน้ามันพัดมาใช่ไหมพัดเข้าของเราไปอย่าให้จิตของเราไหลไปตามกระแสครับอย่าให้ตามกระแสของตันหาคนเขทําไม้ดีกันใช่ไหมเขดาด่ากันเขาว่ากันเขาใส่ด้ายสีกันชี้มือดา่า เราอย่าทำอย่างนั้นอย่าให้จิตของเรายไปอยู่ในแดนลบครับเขาขโมยของกันเราไม่ทำนะแล้วก็ช่วยเหลือกันให้อดทนให้อดทนให้อดทนและอดทนอดทนรักษาใจของเราไว้ให้ให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอุเบกขาอย่างนี้ได้ไหมครับก็ <c oughs> ถ้าก็ถูกถูกอ่ะอย่างที่หมอและลุงพูดแต่ถูกแต่ถ้าบ้านน้ำบ้านเราน้ำไม่ท่วมน้ำเราพูดได้ครับแต่ถ้าบ้านเราน้ําท่วมอยู่มันเป ร, มป ร, มปริมมาแล้ว คุณจะรักษาจิตยังไงอืมนี่อ่ะนี่แหละคือมาอาชาในประเภทไหนคุณจะเป็นมาอาชาในประเภทไหนล่ะอย่างเราดูญี่ปุ่นเนี่ยเราดูญี่ปุ่นเนี่ยคือแล้วถ้าคุณรีบทําความเพียรก่อนเลยตายแล้วเมื่บางทีประเทศไทยอาจจะเป็นอย่างนี้นะนี่เราดูตอนเดือนมีนานะบใช่คฉันแล้วฉันต้องทําจิตยังไงเนาะเมื่อเวลาที่เราเกิดภัยอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้อยู่ภาสุกอยู่ได้เอาฉันทําเลยนี่คือมาอาชาในประเภทหนึ่งครับแต่ปรากฏไม่ทําใช่ไหมตัวเอง เราอยู่ภาคอีสานอย่างเงี้ยหรือเราอยู่ภาคอื่นที่เขาไม่โดนน้ำท่วมเห็นคนไทยด้วยกันโดนน้ำท่วมใช่ไหมตายละฉันต้องรีบเร่งรีบละเก็บข้าวของทำจิตตัวเองศึกษาธรรมะท ำ, ทำยังไงเมื่อมีภัยอย่างนี้แล้วถึงจะเป็นผู้ผ่าสุดอยู่ได้คุณจะเป็นม้าอาชาในประเภท2ครับ และนามาอชาในประเภทสามนั่นคือคนที่เรารักคนที่เรารู้จักฉันมีญาติอยู่กรุงเทพเอาลูกฉันเรียนอยู่เชียงใหม่หลานฉันอยู่กรุงเทพตัวฉันอยู่ที่นี่ตายแล้วตายแล้วทำยังไงญาติต่างๆไลเฮขึ้นมาที่ภาคอีสานมาอยู่ที่นี่แล้วคุณปฏิบัตินะเพื่อที่จะรู้ธรรมเพื่อที่จะเมื่อเกิดทุพพิภัยอย่างนั้นแล้วจะเป็นผู้อยู่ภาสุอยู่ได้นะคุณเป็นม้าอาัยในประเภทสามครับแล้วพวกที่อยู่จมน้ําอยู่เท้าเปียกอยู่ของถูกพัดไป แล้วคุณปล่อยวางได้ไม่มีใจหดหูเห็นตามที่เป็นจริงไม่ไหลไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ถูกท่วมทับด้วยข่าวคุณจะเป็นม้าอาชาแห่ประเภทที่สี่แต่ถ้าจมน้ําก็จมจิตก็ถูกเขาก็ชากไปของก็หายหมดลําให้คร่ําครวนทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนของข้างเพลอ่เจอหน้าใครก็ด่าก็ว่าเป็นผู้รกระฟัดกระฟื้นกระด้างกันเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้เป็นปุถุชนอครับ เ, เอ ะ, เ อ, นนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นครั บ, รบเพราะฉะนั้นเราฟังข่าวก็ตามรับรู้สื่อเนี่ยมันต้องมีสติอยู่ตลอดมอและทุกคนโดยเฉพาะบทฝึกอย่างดีเลยนะครับโดยช่วงยิ่งในสถานการณ์นี้นะมันมันข่าวลือมันเยอะไม่ว่าสถานการณ์อะไรนะถ้ามีลักษณะ น, นี้ข่าวลือเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องคอยระวงังคือถ้าเราม า, มาตามแก้ข่าวลือแก้ข่าวนั่นแก้ข่าวนี้เนี่ยมันตามแก้กันไม่จบ แก้ที่ผู้รับแก้ที่ตัวเรารับฟังให้ดีมีสติรักษาจิตอดทนเพราะว่าถ้าอดทนแล้วมีสติรักษาจิตแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะมีกำลังตั้งมั่นอยู่ได้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถาใช้กำลังจิตที่มีในการตัดสินใจให้ถูกต้องดำเนินสถานการณ์ยังไงในสถานการณ์อย่างนั้นให้ให้ดีออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างี้นะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ นอน้อยวิกฤตทางใจมันก็มันก็ยังสบายใจใช่ครับคือคือสบายใจในที่นี้ก็คือไม่หมายความว่าไม่เป็นปทุกข์มากเกินไปครับผมปล่อยวางนะได้กับกับสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละเป็นเครื่องทดสอบอย่างดีครับแล้วคุณธรรมตรงนี้นะหมอธนพงศ์ครับ เ, เรื่องความอดทนก็ตามเรื่องความรักใครเอ็นดูเรื่องความเอือเ้อเฟื้อเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะถูกทดสอบแล้วทดสอบอีกทดสอบแล้วทดสอบอีกแล้วก็ทดสอบอีกนะถ้ายังไม่ผ่านก็จะถูกทดสอบอีก อเหมือนอย่างเวลากันเวลาที่เขาเรียกทหารไปรบคครรัับบเมื่อสถานการณ์ชาติต้องการคุณต้องถูกเรียกออกไปรบคุณจะทํำยังไงคุณจะหนีหรือคุณจะสู้ใช่ครับอในกรณีเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณกําลังจะถูกฉุดออกไปแล้วคุณจะหนีหรือคุณจะสู้อืมครับสู้กิเลสไงสู้ตัณหาสู้ความอยากสู้ด้วยกําลังจิตที่เรามีสู้ด้วยธรรมอะนะครับสู้ด้วยธรรม ตรงนี้เราต้องสู้แต่เรารู้ไหมว่าไม่ใช่ว่าสถานการณ์เกิดขึ้นต้องน้ําท่วมก่อนเราถึงจะสามัคคีกันออมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับต้องน้ําท่วมก่อนเราถึงจะเห็นใจอดทนการสามัคคีกันนะอย่าด่ากันอย่าว่ากันมันไม่จําเป็นทุกๆวันเวลาเราเจอผัสสะ่างตาพุม่มเจอโฆษณาคุณรู้หรือเปล่าว่าจิงคุณถูกดึงไปแล้วนะหรือว่าเล่นอินเทอร์เนต็แตแทนที่จะทํางานเล่นอินเทอร์เน็ตหลายไปสองามชั่วโมงหายไปเว้ยตายละ ต้องรีบกลับไปทำงานเนี่ยเรา<ม>ถูกต้องต่อสู้กับตรงนี้อยู่แล้วครับอ่ามันไม่จะเป็นต้องน้ำท่วมมีใครตายหรืออะไรถูกไมมมันมันทุกวินาทีเลยที่เราถูกเรียกที่จะไปสู้อ<ม>ือสิ่งเหี้คว่าค่าสิกเขาะประตูอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเพราะมาณเนี่ยมันจะหาช่องอยู่จากเราอย่างไม่ขาดระยะ ม, มันไม่เอาทางตามัมนเอาทางหูจมูกลิ้นไกายหรือใจ วันนี้มันไม่ได้มันมาอีกวันหนึง่งวันนี้ ม, <'re S 1> มันเอาเราทางโฆษณาไม่ได้เดี๋ยวมันเอาทางอีเมลอีเมลไม่ได้เดี๋ยวมันเอาทาง facebook facebook ไม่ได้เดี๋ยวเอาทางมือถือมือถือไม่ได้ฉันเอาน้ําท่วมอืมครับน้ําท่วมไม่ได้ฉันเอาข่าวฉันเอามันเอาทุกอย่างเรารจะป้องกันยังไงอืต้องเจริญสติ <Joel. S 1> ต้องมีกาดอยู่ตลอดเวลากาดในที่นี้คือสติสติครับใช่นี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึงที่ละเอียดนะเรื่องละเอียดในธรรมะวินัยนี้ ก็ยังคิดอยู่ว่าจริงๆอะ่ะน้ำท่วมอย่างคนกรุงเทพตอนนี้เรียกว่าโอ้หวาดวิตกกันผมว่าตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพแต่ว่าความกลัวน้ำท่วมเนี่ยมันมันมันอยู่ในจิตใจของคนกรุงเทพแล้วคือก็มองเออมันมันเหมือนเรื่องผีนะครับท่านผีเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าผีไม่ได้ทำอะไรเราแต่ความกลัวผีเนี่ยมัน หลอกล้อเราไอ้ตัวครามกลัวเนี่ยใช่แทนที่จะกลัวนะเรากลัวน้ําท่วมกลัวผีกลัวอะไรเนี่ยเรามากลัวบาปดีกว่าอืกลัวความที่จะต้องทํากายวาจาใจเป็นทุจริตกลัวต้องขยักขย้งเกลียดชังกลัวต่อบาปครับเราจะไม่กล้าทําบาปจะด่าเขาอุ้ยกลัวจะตีเขาอุ๊ยละอายจะขโมยของเขาอุ๊ยไม่ทําจะบี้ยูอุ้ยไม่เอาหรอกอย่างนี้นะกิริโอตปะนะครับใช่ ถ้าจเจริญฮิริโอตปะอนนี้สงฆ์จะได้ถึงยมยเป็นพระอาารนนู่นเลยอยเป็นธรรมที่มี อ, อาาตัตตากรามากอืะพุทธเู้าพูดถึงสปายใหม่แต่ที่ไปสู่เรือนแล้วไม่นานเนี่ยเพราะรว่าเขาจะต้องมีฮิริโอตปะต่อสามีใช่ไหมต่อสามีแล้วก็แม่สามีอนะยิ่งต้องอะไรก็ทําตามนอบน้อมเหมือนบ้าพับไว้เหมือนการเราต้องมีฮิริโอตปะ ด้วยความกลัวและความหลายต่อบาปอันนี้จะพาให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยโอ้สาธุสาธุครับอันนี้ก็วนมาเจอจนจบได้พ้นจากครับอันนี้ก็ตอนที่สี่สเ็ดนะตอนนี้ครับตอนที่สี่สิบเอ็ดครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อคิดครับคําถามข้อคิดคำถามคาแนะนํำหรือว่าเรื่องที่ต้องการจะให้มาเปิดก็ส่งกันเข้ามาได้ ตอนที่สี่สเอ็ดนี้ก็ได้ตอบคาถามแล้วก็ได้พูดเรื่องละเอียดละเอียดในธรรมะวินัยนี้เป็นตอนที่สองนะเราก็คิดว่าอก็สื่อสารกันไม่ได้ทางเพียวธรรมะตะกอมนะมรดพงศ์ครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกอนิดนึงได้ไหมครับประชารัฐพันธ์เรื่องของการทอดกรถินที่วัดป่าดอนไหโศกวันที่เท่าไหร่นะครับท่านวันที่ยีสิบสามตุลาคมครับอ ตอนนี้คนถ้าคนจะเดินทางไปนี้ทางรถยนต์จากกรุงเทพไปได้ไหมครับไม่แน่ใจหมายถึงว่าถ้าไม่ติดน้ําท่วมใช่ไหมครับเขาได้ได้ได้ก็มาได้ก็คงต้องสอบถามข่าวเรื่องของเส้นทางเดินทางให้มันถูกต้องแล้วก็มีการเผื่อเวลาพอสมควรกลับครับก็มาได้ครับเรียนเชิญผู้ที่มีเวลาแล้วก็มีศรัทธาตั้งใจที่จะเดินทางไปนะครับก็ เรา<ห> ค, ค่อยพบกันในตอนที่42อต่อหน้านะครับอจริ์ป๋นครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ